ก็มีแต่ในตำราก็พากันอ่านตำราก็เชื่อก็เชื่ อ, อนในตำราเอพ่อพ่าแม่พ่าเชื่อกันลมุมลุมแ่งแรงหรือเปล่ามุ่อยู่ในหะนังสือจริงจริงเหรอขอาถามหน่อยนะแล้วก็ตอบในใจก็ได้ว่า ถ้าหากไปเปิดตำลาอ่านบรรลุนี้เจเคยได้ยินที่ไหนในตำลาไหนเขาบอกพระพุทธเจ้ากงไม่ได้เปิดตำราตัดสั้นนะจริงหรือเปล่าหรือว่าพระพุทธเจ้ามาพิจารณาว่ามาพิจารณากายไม่ใช่เลย ก็มารู้ตรงนี้ไม่ใช่เหรือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเอ๊ะเราเจะแก้เกิดแจ๊เจ็บตายแก้ที่ไหนหนอไม่เห็นพระพุทธเจ้าไปกลางตำลาดบ อ, อกบวชตัดสรู้นะในตำลาาไหนเขาก็ไม่ได้บอกอเขาไว้รูอว่าพ่อพ้าแม่พ้าเห็นที่ไหนอุจเน้นตงซื้อซื้อเล่มไหนบอกหน่อยจะได้ไปคน้นว่ะ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 ว่าจะมึงจเจริญภาวนาอยู่ไหมในคำพูดนัานตรงหรือเปล่าจะหรือว่าจะแววเวียนอยู่ไหมคำพูดนั่นเป็นองค์ที่สององค์ที่สามคือใจถามใจดูสิใจมึงเสียสาะทานจริงไหมถามดูสิถามใจเราเองไม่ต้องไปถามคนอื่นคนอื่นเขาทำมันก็ติดอยู่ในหัวใจของบุคคลอื่น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 เอวเมวอิโตทินังเปตาังอุปกัปปตเอิชิตาปะพิตังตุมหังชิปเมวสัมมิชะตุสเทภเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยทามณิโชติละโสยทาล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 อลังภาวตุสาบมังกลังลคันตุสาปเิวัติสาวุตถานุภาเวนะสันดาโสติภวันตุเตอภาวตุสาบมังกลังละันตุสาปฏิวตาสาวัตถานุภาเวนะสัดาโซติภวันตุเต พระวัตุสัพมังกาลังละคันโตสัพเรวะตาสาวะสังคาโนภาเวนะสดาสดีพระวันโตเต